พระพุทธทาสเคยสรุปวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสั้นๆแล้วก็น่าสนใจแล้วก็อาจจะสะดุดใจของหลายคนถ้าบอกว่าเนี่ยวิธีการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีสองศรัทธาหรือสองระดับสำหรับสัตว์ที่ยังอ่อนอยู่หมายถึงคนที่ยังไม่ค่อยมีพื้นพพุทธเจ้าสอนให้ขังข้อเนี่ยขังข้อคืออยู่ในข้อ ส่วนสัตว์ที่แก่กล้าพระองค์ก็ชี้ทางให้บินไปขังข้อกับชี้ทางให้บิดไปนี่มันก็ดูขัดแย้งกันนะแต่ที่จริงมันก็เป็นส่วนเสริมขังข้อในที่นี้ก็หมายความว่าให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างเช่นก็รารหายรักคราวา่ก็อยู่ในกรอบของศีลหต่อมาก็อยู่ในกรอบของศีล8หรือศีลอุโบสถ ถ้าเป็นพระก็อยู่ในกรอบของพระวินัยมีสิขาบทสองข้อเป็นเครื่องกำกั บ, ก, บกายวาจาหรือพฤติกรรมที่ขังข้อคือให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือวินัยนนเพื่ออะไรนะก็เพื่อไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านและไปเจอสัตว์ร้ายหรืออันตรายนะ ก็หมายถึงอบายนะหรือความชั่วนนคนเราเนี่ยถ้าไม่มีศีลหรือวินัยเป็นกรอบเอาไว้เนี่ยมันก็ง่ายที่จะทำชั่วหรือตกเป็นชาติของอบายซึ่งทำให้กิเลสมันเจริญงอกงามอันนี้เพื่อเมื่อ อยู่ในกรอบแล้วก็มีการฝึกขั้นต่อไปฝึกในระดับของจิตและปัญญาเพื่อให้เกิดนะอิสระภาพทงที่ทาจาพุทธทาชัยก่วาวชี้ทางให้บินไปคือเป็นอิสระนั่นคือสามารถเจะออกนอกกรอบได้นะพูดง่ายๆคือปล่อยวางนะ ทีแรกก็ให้ยึดมั่นอยู่ในศีลในวินัยแต่พอฝึกไปฝึกไปก็ให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางไม่ให้ยึดติดแม้กระทั่งศีลนะอย่างมีธรรมะข้อหนึ่งเนะี่ยศิลปตุปาทานซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะไปให้ถึงนะศิลปตุปาทานคือการ ไม่ยึดมั่นในสีละพจน์สีและพจน์นะพจน์นี้ก็หมายถึงข้อปฏิบัติที่คร่งครัดนะสีละพจน์นี่เป็นของดีนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกหดัดดัดเกลาคนเราเนี่ยให้ อยู่ในกรอบที่ดีงามแต่ว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นหรือไปติดอยู่ในกรอบมากไปเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเจริญไม่มีโอกาสที่จะพบความสงบเย็นไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงอิสรภาพสาหรับผู้ที่ยังอยู่ในกรอบของศิลธรรมเนี่ย ก็มีรางวัล น, นะแต่ว่าเป็นเครื่องล่อ ก, ก็ได้นะคือสวรรค์หรือสุคติหลายคนก็อยากไปเกิดใหม่ในสวรรค์อยากเป็น เ, เทวดาก็ต้องก็เลยขวนขวายในการรักษาศีลแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นจุดหมายสำคัญนะของพุทธศาสนานะ พุทธศาสนาเนี่ยจุดหมายสำคัญคือนิพพานซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดถืมั่นในสิ่งใดเลยไม่ยึดติดแม้กระทั่งในธรรมนะอย่างที่พระเจ้าสอนเนี่ยธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเพราะธรรมทั้งปวงเนี่ยที่จริงก็หมายถึงทุกสิ่งั น, นะที่จริงพันธิพานวยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าแม้กระทั่งคําสอนเนี่ย ของผู้เจ้าเนี่ยพระองค์ก็สอนว่าไม่ให้ยึดมั่นนะเปรียบเหมือนกับชายผู้หนึ่งนะที่ต้องการข้ามฝั่งฝากระแสน้ำเนี่ยก็รวบรวมเอากิ่งไม้ต้นไม้ใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วก็ถ่อแพรนั้นจนพาตัวเองไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้เมื่อถึงฝั่งแล้วผู้เจ้าถาม ภาษาวกว่าเนี่ยกลัวหรือไม่ที่จะแบกแพ้นั้นขึ้นฝั่งด้วยภาษาวก็ตอบว่าไม่ควรใครที่แบกแพรขึ้นฝั่งด้วยนี่ก็ถือว่าไม่ฉลาดนะพุทธก็ตตาว่าฉันนั้ก็ฉันว่ธรรมที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยก็ไม่ควรยึดมัน่นเพราะขนาดธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยอย่าไม่ควรยึดมันเลยและนับภาษาเลยกับสิ่งที่เป็นอัธรรมอันนี้ก็เป็น ความหมายหนึ่งของที่ท่านจากผู้ท่านใช้คำว่าชี้ทางให้บินไปคือฝึกจิตจนปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เป็นอิสระสำหรับการสอนให้คนในกรอบของศีลของธรรมของวินัยเนี่ยจะว่าไปามันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้น คนที่ไม่เคยรู้จักทำรรเลยเนี่ยก็ต้องรู้จักศีลกำกัดตัวให้อยู่ในศีลก่อนรวมทังความถูกต้องด้วยต้องรู้ผิดชอบชั่วดีแต่พอถึงจุดหนึ่งต้องพัฒนาจิตเกิดปัญญาจกนกระทั่งอยู่เหนือนะ ความถูกต้องความผิดชอบชั่วดีอย่างที่หลวงพ่อเฟื่องเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อเฟือนี่ก็เปรู้สิลหลวงปู่มั่นนะท่านบอกว่าเนี่ยความในของเราไม่ใช่ถูกต้องแต่ที่ยึดเข้าไว้มันก็ผิดความในของเราเนี่ยถูกต้องกดีแล้วแต่อย่า ย, ยึดยึดว่าเป็นความถูกต้อง ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นความถูกต้องแบบกูของกูเนี่ยอันนี้ก็มันก็ให้เกิดปัญหาได้ท่านบอกว่าเนี่ยถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดความถูกต้องนี่พอยึดเข้าไว้นี่มันกลายเป็นความผิดเลยนะหรือมันไปสู่การกระทําที่ผิดเพราะว่าอาจจะนําไปสู่การแบ่งเขาแบ่งเราหรือว่าทําร้ายคนที่เราเห็นว่าคิดไม่ถูกทําไม่ถูก อย่างที่เป็นปัญหาทั่วโลกมาตลอดเนี่ยมันก็เพราะความยึดมั่นในความถูกต้องจนกระทั่งทำลายกันนำไปสู่ความไม่ถูกต้องตามมางั้นคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยในคาสอนพุทธศาสนาบางทีก็งงไงบางทีท่านก็สอนว่าให้ยึดมั่นในศีลแต่ทำไม ในทีกช่นขั้นสอนว่าให้ผู้จักปล่อยวางแม้กระทั่งเสีพจน์ก็ต้องไม่มีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เราเข้าใจว่าุู้เจ้าเนี่ยสอนสําหรับคนสคน2ประเภท2ระดับนะระดับแรกนี้ก็สอนในสิ่งที่มันจะช่วยควบคุมไม่ให้ทําผิดทําบาป ก, ก่อความเบียดเบียนกับผู้อื่นแต่ว่าก็ยังมีความทุกข์ หากว่ายังยึดมั่นในความถูกต้องยึดมั่นในสิ่งต่างๆแม้กระทั่งทมธรรมะที่พระองค์ทรงสอนก็ต้องมีปัญญาจนหลุดพ้นหรือปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นได้อันนี้แหละที่หมายถึงชี้ทางให้บินไปจริงถ้าเราศึกษาคำสอนของพระ เ, เจ้าเนี่ยเราจะเห็น การสอนหรือคำสอนสองระดับอย่างนี้นะอยู่เสมอนะเช่นในบางที่พระองค์ก็สอนเรื่องตนนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบัณฑิตพึงฝึกตนรักอื่นเสมอรักตนไม่มีสอนให้รู้จักฝึกตนอย่างเช่นว่าเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตน มีตนที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนเรารู้จักรักตนเนี่ยมันก็จะทาให้ขนขวายในการทําความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะถ้าเบียดเบียนผู้อื่นมันก็นําความทุกข์ความเดือดร้อนใจมาสู่ตนถ้าเรารักตนเราก็จะหมั่นพัฒนาตนอย่างที่เราสวนอยู่ ประโยชน์งอยู่บ่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะขื่วงสูงเมื่อระลึกได้ถึงคําส่งสอนของพระเจ้าอยู่ตรงทางความเคารพพระธรรมเราควรเคารพพระธรรมเราควรพัฒนาตนให้อยู่ให้เข้าถึงธรรมวุ่งสูงเพราะอะไรเพราะเรารักตนตสาหรับปุถุชนเนี่ยนะความรักตนเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้ ผลขวายในการทําความดีอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ฝึกปนแต่พอถึงถึงจุดหนึ่งพวกจะสอนแล้วนะว่ามันไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะสอนให้ยึดนอนให้ตระหนักว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูอยู่เลยอาจารย์พุทธทาสังกษสอนให้ตายก่อนตายหรือให้ตัวกูหรือความยึดมาในตัวกูมันตายก่อนที่จะหมดลม คนที่ไม่เข้าใจก็นึกว่าพระเจ้าสอนขัดแย้งกันที่จริงไม่ได้ขัดแย้งหรอกนะเป็นแต่สอนสองระดับสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นทางพุทธศาสนาเนี่ยก็สอนให้รักตนนะแต่ว่าพอฝึกตนไว้ดีแล้วเนี่ยก็ให้รู้จักเห็นว่า ตนเนี่ยหรือตัวกูมันไม่มีจริงมันมีสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อได้เป็นอิสระนะอย่างแท้จริงพร่อถ้ายังมีความยึดในตัวกูนะมันก็ยังมีความทุกข์อยู่ร่ำไปทุกขในยามสูญเสียทุกในยามประสบความเจ็บความปวดทุกในยามแก่ทุกในยามตายนะอันนี้ก็เพราะความสําคัญว่ามีตน นะมีกูผู้แก่มีกูพูดเจ็บมีกูพูดตายทั้งที่ในความเป็นจริงมันไม่มีมันมีแต่ความตามีมแต่ความแก่มีแต่ความปวดนะอันนี้ก็เรียกว่าทำให้บุคคลเนี่ยนะได้เข้าถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงอถ้าเราไม่เข้าใจ ว่าพุทธเจ้านี่สอนสองระดับเนี่ยในด้านหนึ่งหลายคนก็จะสงก็จะเกิดความรู้สึกว่าพุทธเจ้าสอนขัดแย้งกันทำไมสอนเรื่องอนัตตาด้วยสอนเรื่องอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วแล้วที่สอนเรื่องรักตนมันจะหมายความว่ายังไง การที่บางคนเนี่ยก็ไปมองว่าเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาเฉนั้นไอ้ที่ได้ยินมาว่ามีการสอนเรื่องว่าให้รักตนเรามีกรรมเป็นของตนนี่ไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งต่อเติมเป็นสิ่งที่เขียนว่าพุทธเจ้าไม่สอนแบบนี้หรอกเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ไ ม, ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วจะสอนเรื่องตนได้ยังไงก็มีคนนะพูดแบบนี้นะ จริงๆเนี่ยมันก็มีหลักนะหลักฐานมากมายว่าผู้เจ้าก็สอนเรื่องเรื่องตนนะรักตนฝึกตนเพราะว่ากับคนที่ยังมีพื้นฐานยังไม่แน่นพอ ท, ที่จะจะบุษย์ชวาสัตว์ที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยมันก็ต้องสอนให้เขารู้หรือว่าใช้ตน ปฏิบัติกับตนหรือตัวกูอย่างถูกต้องก็คือรู้จักทำความดีอย่าเห็นแก่ตัวไอ้คนที่เห็นแก่ตัวนี่แสดงว่ามันไม่ใช่รักตนอย่างแท้จริงถ้ารักตนอย่างแท้จริง่็ต้องมันทำความดีไม่ผิดศีลไม่ หาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัวง่ายคือว่าสาหรับคนที่ยังอยู่ในขั้นพื้นฐานเนี่ยผู้เจ้าก็จะสอนเรื่องจริยธรรมสอนเรื่องจริยธรรมเรื่องความดีความถูกต้องนะอย่าออกจากกรอบของความดีอย่าออกจากกรองความถูกต้องแต่พอพัฒนามาถึงจนหนึง่งผู้เจ้าก็จะสอนเรื่องศัจธรรมล สัจธรรมก็คือความจริงเรื่องอันที่จังทุกขังอนัตตาโดยเพราะอนัตตานี่คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรื อ, รอที่เราบางทีเรี่ยงเาเรีงเไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและถ้าเข้าใจผิดมันก็อาจนํานไปสู่การเบียดเบียนคนอื่นได้ตอนที่ท่านอาจารย์ผู้ท่ายังหนุ่มเนี่ยท่านสอนเรื่องเป็นคนแรกๆที่สอนเรื่องอนัตตาเนี่ย แล้วก็เน้นมากในเรื่องอนัตตาก็มีพระผู้ใหญ่เนี่ยอย่างเช่นสมเด็จพรทุกขโธศาสาจารย์วัฒเทพสุรินเนี่ยก็มาเตือนท่านว่าเนี่ยสอนเรื่องพวกนี้นี่มันสูงเกินไปนะไม่ควรสอนเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแต่ถ้าจ้าพุทธว่าโอเรื่องนี้เป็นหัวใจพุทธศาสนาเลยต้องสอนท่า น, นสอนไปถึงเรื่องว่าเรื่องจิตว่างแต่คนบางคนเนี่ย ซึ่งภูมิธรรมยังไม่ถึงเนี่ยก็จิตว่างนี่ไปใช้ในทางที่ไม่ถูก เ, เกิดประเภทว่าอันพานจิตว่างเนี่ยทำอะไรก็อ้างว่าทันทำด้จิตว่างกินเหล้าก็ทำเพื่อกินเหล้าด้จิตว่างอันนี้มันก็เป็นเพราะว่ายัางไม่เข้าใจหรือยังไม่แน่นพอนะในเรื่องของความถูกต้อง หรือว่ายัางไม่มีพื้นที่แน่นพอในเรื่องของจริยธรรมและถ้าเราศึกษาละเอียดเนี่ยก็จะพบว่าเวลาถึงขั้นปฏิบัติเนี่ยถึงขั้นปฏิบัติหรือการบำเพ็ญทางจิตเนี่ยในระดับพื้นฐานท่านก็สอนนะให้รู้จักข่มใจให้รู้สกให้รู้จักคกกวบคุมบังคับอารมณ์นะ รู้จักรู้จักควบคุมความคิดอย่าปล่อยใจนะไปตามความคิดมีอารมณ์ก็ต้องกดต้องคมมันเอาไว้ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจหรือรู้จักกดคมอารมณ์ที่เป็นอกุศลแต่พอมาถึงจุดหนึ่งหรือถึงระดับหนึ่งนะท่านก็สอนนะว่าไม่ต้องกดคม่มก็แค่รู้ทันมันเฉย สำหรับคนที่ชอบปล่อยใจไปทําความคิดซึ่งก็เป็นคนที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยชอบใจปล่อยใจไปตามความคิดปล่อยใจไปตามอารมณ์เนี่ยท่านสอนให้รู้จักห้ามความคิดรู้จักกดข่มอารมณ์แต่พอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะท่านจะสอนให้รู้จักปล่อยบ้างแนละ้วเพราะว่านักปฏิบัติจํานวนมากมันจะพยายามกดข่มความคิด กดขม่มอารมณ์แล้วก็เกิดปัญหาตามมามากมายเคยมีลูกศิษย์ขอหลวงว่าชาถามลูกศิษย์ว่าเนี่ยเวลานั่งสมาธิจิตมันตะเลิดภาวนายังไงเนี่ยใจมันถึงจะสงบหลวงว่าชาตอบว่ายังไงตอบว่ามันตะเลิดก็ก็ปล่อยมันไปก็ให้มันเตลิดไปแล้วเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดคิดไปเอง นี่ทำาะไสอนให้ไปควบคุมจิตนะอันนี้เนี่ยเป็นคำสอนที่ท่านใช้กับคนที่มาสนใจเรื่องภาวนาแล้วแต่ทุกคนทั่วๆไปเนี่ยนะก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์นะไม่ใช่ปล่อยใจไปตามอารมณ์โกรธใครก็ดา่าอารวาสนะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์แต่พอมาอยู่ ในขั้นของการฝึกจิตแล้วเนี่ยไอการไปบังคับควบคุมจิตนี่มันสร้างปัญหามากท่านก็เลยสอนว่าเออให้รู้จักนะอย่าไปบังคับมันมันเตลิดก็ไวมันเตลิดไปอันนี้ผม่าชาตันสอนแบบนี้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์บางคนก็งงนะไหนบางที่เวลาสอนญาติโยมสอนให้บังคับควบคุมความคิดแต่ทำไมสอนพระทาไมบอกว่า มันเตลิดก็ปล่อยมันเตลิดไปก็เหมือนที่หลงวงพ่อเจริญท่านสอนวนี้ย่าไปห้ามความคิดนะอย่าไปห้ามความคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งรู้อันนี้มันคิดได้แต่ว่าพอคิดแล้วเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวไหวหลวงปู่ดูลย์นัก็สอนกันนะบอกว่าเนี่ยจะไปการปฏิบัติไม่ใช่เพื่อดับความคิดเพราะความคิดมันเหมือนกระลมหายใจห้ามไม่ได้ เอาแค่ว่าเนี่ยพอจิตมันรับรู้อารมณ์อารมณ์คือรู้รสกินเสียงสัมผัสเนี่ยหรือแม้กทั่งธรรมอารมณ์เนี่ยรับรู้อารมณ์แล้วมันปรุงแต่งก็ให้รู้ทันความปรุงแต่งนั้นปรุงแต่งเป็นความดีใจเสียใจยินดียิ น, ย น, ย น, ย น, ยนร้ายความโกรธความเศร้าเนี่ยความขับแค้นก็ให้รู้ทันมันไม่ใช่ไปดับความคิด แตให้รู้ทันนะเมื่อมันมีความคิดเกิดขึ้นเ่าบอกว่าในใจอย่าฝันทั้งๆทียังตื่นอยู่หมายความว่าอย่าไปเวลามันคิดก็อย่าไปลงคิดโดยไม่รู้ตัวนะคิดได้แต่ให้รู้ตัวหรือให้รู้ทันความคิดสําหรับคนทั่วไปเนี่ยท่านก็สอนให้รู้จักห้ามความโกรธนะแต่พอมีคนมาถามหลวงปู่ตัวว่า ทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่บอกไม่มีกระต่ายขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็ดับเองนี่เลยเห็นได้ว่าเนี่ยพอถึงขั้นถึงระดับของการปฏิบัติการฝึกจิตแล้วเนี่ยท่านจะสอนให้รู้ทันมากกว่าการไปห้ามความคิดหรือไปกดข่มอารมณ์เพราะว่าคนที่มาปฏิบัติเนี่ยมันมักจะเวี่ยงไปไปในทางที่กดข่มความคิด ส่วนคนทั่วไปมักจะเบี่ยงไปอีกทางคือปล่อยใจไปทำความคิดสำหรับคนพวกนี้เนี่ยก็ให้รู้จักควบคุมความคิดหักห้ามใจหักห้ามอารมณ์บ้งแต่สำหรับนักปฏิบัติที่ควบคุมความที่ตั้งใจจะควบคุมความคิดกดข่มอารมณ์ท่านก็สอนอีกแบบหนึง่งคือให้รู้จักปล่อยรู้จักวางให้มารู้ทันถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามว่าทำไม หลวงพอเชิ น, นึงสอนให้อย่าไปห้ามความคิดทำไมครูบาอาจารย์หลายท่านท่า น, นสอนว่ามันมันคิดก็ให้ก็ช่างมันให้มันใ ห, ให้รู้ทันมันอา่าที่อื่นบอกว่านะให้กดข่มอารมณ์ระ ง, งับดับอกุศลก็ต้องดูว่าท่านสอนกับคนระดับไหนกับคนทั่วไปท่านก็จะสอนแบบหนึ่ง นะพอมีประสบการณ์ท่านก็สอนอีกแบบหนึง่งมันก็เหมือนกับเวลาเราเรียนประถมมัธยมเราอาจจะต้องใช้การท่องจำนะตอนที่เราเรียนเนี่ยประถมมัธยมนีท่องจำเป็นหลักเลยแต่พอเข้ามหาลัยเนี่ยหรือเรียนระดับสูงแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีนะมาใช้การรู้จักคิดรู้จักใคร่ครวญ รู้จักวิเคราะห์คืนเอาวิธีการท่องจําไปใช้กับการเรียนในระดับหมหาเทือไรโดยเพราะในเมืองนอกนี่ไปไม่รอดนะเพราะว่าระดับหมหาเทือไรเนี่ยเขาจะเน้นความสามารถอีกระดับหนึ่งนะก็คือการรู้จักคิดที่จะเห็นได้ว่าในคําสอนของพระเถรเจ้าเนี่ยมันจะมี การสอนสองระดับอยู่เสมอควบคู่กันไประดับแรกท้าจารยพุทธชนใช้คําว่าเนี่ยขังขออให้อยู่ในกรอบกรอบของศีลธรรมกรอบของความถูกต้องรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ก, กดข่มอารมณ์เอาไว้รู้จักหับหั่งใจแต่พอถึงระดับหนึ่งที่ท่านสอนนะให จะชี้ทางให้บินไปก็คือรู้จักปล่อยรู้จักวางหรือว่าให้รู้ทันความคิดให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยคที่ระดับพื้นฐานเนี่ต้องสอนว่าให้รักตนรักตนเอาไว้ก่อ น, เ, นเช่นเดียวกันในระดับพื้นฐานเนี่ยต้องสอนให้รู้จักละชั่วหรือเว้นชั่วแล้วก็ทําดี ในโอวาทปฏิโมกข์นี้2ข้อแรกเนี่ยเราคุ้นกันดีแต่พอถึงข้อที่3ามท่านสอนว่ารู้จักทำจิตให้บริสุทธิ์ก็คือว่าไม่ใช่แค่ทำดีอย่างเดียวนะแต่ต้องรู้จักทำจิตหรือทำใจด้วยเพื่อได้เข้าถึงสัจธรรมทำดีมันก็ยังเป็นระดับจริยธรรมซึ่งก็ยังวนอยู่ในระดับสมมุตินในระดับเรียกว่าโลกีชะ แต่ว่าอุตสาระไปใกลกว่า น, นั้สอรเรื่องโลกุตระสอรเรื่องปรมัทสัจจะ ด, ด้วยไม่ใช่แค่ติดอยู่กับสมมติสัจจะยังติดอยู่กับดีชั่วแต่ว่าต้องรู้จักไปให้พ้นดีชั่วเพราะว่าสุดท้ายนก็ยังเป็นสมมุติอยู่นะต้องเข้าถึงถึงกับปรมทตทสัจจะเข้าถึงสภาวะที่ลโลกุตระซึ่งมีนิพพาน เ, นเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ ความร่ำรวยในชาตินี้หรือว่าการไปสุคติหรือว่ า, า, ขวาเข้าถึงสวรรค์ในชาติหน้าเพี่เราต้องเข้าใจคำสอนของพุทธศาสนาทั้งสองระดับแล้วก็มาใช้ให้ถูกนะในบางครั้งเราก็อาจจะต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องแต่ขระเด็นกันเราก็รู้ว่ามันถ้ายัง ถ้ายดมันถึอมันมากไปมันก็เป็นโทษนะก็ต้องสามารถที่จะออกจากกรอบนั้นจนกระทั่งนะได้เห็นหรือเข้าถึงสภาวะที่เป็นการปล่อยวางนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะ2ระดับเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยการปฏิบัติก็จะถูกต้องแล้เวลาสอนค น, เ, นเราก็จะสอนให้ถูกต้องสมสอดคล้องกับภูมิหลังหรือว่าที่รเรียกว่าอินทรีย์ของเขาเนี่ย